วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เป็นวันที่ท่านทั้งหลายชาวพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อมีระสาธความเรื่มใส ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระบรมศาสดาพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐคือ พระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระกรุณาคุณที่มีต่อสัตว์โลกทั้งปวงได้ทรงประทานพระธรรมคำสั่งคำสอนอันประเสริฐที่จะนำพาให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอย่างที่เป็นกันอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาตรัสรู้ มาพบทางสู่การออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดสัตว์โลกทั้งหลายจะไม่มีความสามารถในตนเองที่จะพาตนเองให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยจาเป็นที่จะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งผู้สอน เป็นผู้นำทางไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการได้มาเกิดในภพนี้ในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้จึงถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นโชคคาาบอย่างมหาศาลพอ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนะเป็นอัญญมณีอันล้ำค่าล้ำค่ายิ่งกว่าเพชรที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหลายต่อให้เอาเพชรมารวมกันกองเท่าภูเขาคุณค่าของเพชรนี้จะสู้คุณค่าของพระรัรนะไตไม่ได้ พระพุทธรัตนะพระธรรมนะรัตตนะพระสังฆรัตตนะเป็นอัญญมณีที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่มหาศาลกว่าแ mm. พทนินจินดาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะแพทนินจินดาต่างๆไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นอกจากไม่กำจัดแล้วเงกลับจะมาเพิ่มความทุกข์ภายในใจให้หนีมากขึ้นเพราะเมื่อมีอะไรแล้วก็ย่อมมีความรักมีความผูกพันมีความอยากให้สิ่งที่ตนรักที่ตนผูกพันนั้นไม่จากไปนั่นเอง แต่ไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะต้องมีการพัดภาาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงด้วยกันทั้งนั้นเ <N> มื่อถึงเวลาที่เกิดการพัดภาาจากกันความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่ ผู้ที่ต้องพัดพลากจากสิ่งที่รักที่ชอบไปแต่การมีพระรัตนใยอยู่ในใจนี้<ม>จะไม่มีวันพัดพลากจากกันพระรัตนใจนี้เป็นทรัพ์ภายใน<ม>เป็นทรั์ที่จะอยู่คู่ไปกับใจไปตลอดไม่เหมือนกับทรัพ์ภายนอกคือเพชรนินจินดาต่างๆ หรือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆล้วนเป็นทรัพย์ภายนอกที่ใจไม่สามารถที่จะเอาติดไปได้เวลาที่ต้องจากโลกนี้ไปเวลาที่ต้องจากโลกนี้ไปถ้าไม่มีทรัพย์ภายในก็จะไปแบบขอทานไปแบบยากลําบาก แต่ถ้ามีทรัพย์ภายในมีพระรัตนะทั้งสามติดไปกับใจก็จะไปสู่ที่สุขโตไปสู่สุขติไปสู่พระนิพพานที่เป็นจุดหมายปลายทางอันสูงสุดของผู้ที่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปนี่แหละคือ ภารตะนากจที่พวกเราได้มามีโอกาสได้มาสัมผัสได้มารับรู้ได้มารู้จักหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องขวนขวายตักตัวพภะรตะนาใจที่ตอนนี้ยังอยู่ภายนอกของใจของพวกเราให้เข้ามาสู่ภายในใจ ให้เป็นสมบัติอยู่คู่กับใจไปตลอดพระรัตนัยนี้ในเบื้องต้นเป็นทรับภายนอก<ม>คื อ, อยังไม่ได้เข้ามาในใจของพวกเรา<ม>เรารู้เราได้สัมผัสกับพระรัตนยัย<ม>ได้เรียนรู้เรื่องของพระพุทธเจ้า วิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงํำเนินได้ทรงปฏิบัติได้ทรงหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. เราได้สัมผัสกับพระธรรมรัตตนะ mm hmm. ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนอันประเสริฐที่จะทำให้รับภยนะัยณะ ทรัพย์ภายนอกเข้ามาอยู่ในใจคือที่จะนำเอาพระรัตนตรัยที่ยังอยู่ภายนอกนี้ให้เข้ามาสู่ภายในใจด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติวิธีการที่จะทำให้มีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นมาภายในใจเราได้สัมผัสกับพระอริยสงสาวก ภาษาคารัตนาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้น้อมนําเอาพระธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนสามารถนําเอาพระรัตนาตรัยทั้งสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปสู่ในใจของตนได้ ทำให้กลายเป็นพระสังฆรัตนะขึ้นมาเป็นใจที่มีอัญญามณีอันล้าค่าที่จะปกป้องรักษาจิตใจไม่ให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆขึ้นมาตอนนี้เรารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กัน แต่สิ่งที่เรายังต้องทำต่อไปก็คือเราต้องน้อมนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เข้ามาสู่ภายในใจของพวกเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เปรียบก็เหมือนกับยารักษาโรคทางร่างกายยาที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นยาที่มีความวิเศษมีประสิทธิภาพแต่ถ้าคนไข้ไม่ได้รับประทานยายานั้นก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ในการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บในร่างกายให้หายไปได้ถ้าต้องการให้ยานั้นทำหน้าที่ รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไป mm hmm. คนไข้ก็จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาหนะึ mm ่ง hmm. เมื่อได้รับประทานยาแล้วยาก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะไปทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจกบ่ายเจ็บต่างๆให้หายไปจากใจได้อ mm hmm. <resp. S 2> รลัตนาไต อันนี้ก็เหมือนกันเป็นเหมือนยาอันวิเศษที่เราเรียกว่าธรรมโอสถที่จะมารักษาโรคของใจคือความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปแต่ถ้ายังไม่ได้น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ภายในใจ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ดับความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หายไปได้ให้หมดไปได้ถ้าต้องการให้ความทุกข์ใจต่างๆนี้หมดสิ้นไปจากใจจำเป็นที่จะน้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เข้ามาสู่ใจเรียกว่าโอปะนะยิโกพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโอปะนะยิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะน้องน้อมเอาเข้ามาสู่ใจให้ได้เพราะถ้ายังอยู่ภายนอกอยู่ยังไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจต่างๆได้ ต้องน้อมทำอันประเสริญนี้เข้ามาสู่ภายในใจให้ได้เมื่อน้อมเข้ามาในใจแล้ว<ม>ก็จะสามารถทำหน้าที่ดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ดั<ม>งนั้น<ม><ม>ผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสง์ และมีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจจำเป็นที่จะต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจ <Yes. S 1> วิธีน้อมเอาพระพุทธพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจ <Yes. S 1> ก็คือดูวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ดูวิธีการปฏิบัติของพระอริยสงสาวก mm. ว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไร mm. ถ้าเราสวดบทสังฆคุณเราก็จะเห็นว่าท่านปฏิบัติ ด, ดีสุปฏิปันโนปฏิบัติตรงอูชุปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆ ย่ปฏิปันโนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเรียกว่าสามีปติสามีจิต ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีคือปฏิบัติเต็มที่นั่นเองปฏิบัติเต็มร้อยเรียกว่าปฏิบัติดีถ้าปฏิบัติไม่เต็มร้อยก็ยังถือว่า อย่างปฏิบัติไม่ดีพอปฏิบัติเต็มร้อยก็คือต้องปฏิบัติทุกเวลานาทีตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับถึงจะเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีเพราะการปฏิบัติดีจะทําให้ได้ผลดีให้ได้ผลเต็มร้อยนั่นเองถ้าปฏิบัติไม่เต็มร้อย ผลก็จะไม่เต็มรอ้อยเห็นจําจเป็นที่จะต้องปฏิบัติดีประหยัดปฏิบัติให้เต็มร้อยคือไม่มีเวลาใดที่ไม่ปฏิบัติพูดง่ายๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี้จําเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติตลอดเวลาทำที่ต้องปฏิบัติตลอดเวลาในเบื้องต้นก็คือสติเนี่ย การเจริญสติการระลึกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งของกรรมฐาน40สบอารมณ์นี่ให้เลือกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเครื่องเจริญสติถ้าจิตคอยกําหนดให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งของสี่สบอารมณ์นี้ ก็จะมีสติมีกำลังที่จะคอยควบคุมความคิดและควบคุมกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาไม่ให้ทำการสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจ ยำเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้นำทางในการปฏิบัติสนับสนุนด้วยวิริยะคือความภาคเพียรความขี้เกียด น, นี้จะไม่สามารถสนับสนุนการเจริญสติได้ต้องเป็นความขยันหมั่นเพียรถึงจะสามารถที่จะสนับสนุน การเจริญสติให้มีกำลังขึ้นมาเพื่อที่จะได้หยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากต่างๆไว้เป็นพักๆไปแต่ยังไม่เป็นการหยุดได้อย่างถาวรแต่เป็นการเตรียมทางไว้ให้แก่ปัญญาที่จะเป็นผู้ที่จะมา กำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจต้องมีสติก่อนเพื่อมีกำลังที่จะควบคุมกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาแล้วถึงจะมีความสามารถที่จะนำเอาปัญญามาสอนใจ ให้หยุดกระทำตามความต้องการของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้ถ้าไม่มีสติถึงแม้จะรู้ว่ากิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแต่ใจที่ไม่มีสติที่จะหยุดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาก็จะฝืนความ ต้องการของกิเสตันหาของโมหะอาวิชชาไม่ได้ก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะ <c oughs> ดับความทุกข์ต่างๆได้ถ้ามีสติเพียงอย่างเดียว <c oughs> ก็จะสามารถดับได้เป็นพักๆไปช่วงไหนที่มีการเจริญสติ ช่วงนั้นก็จะสามารถควบคุมความทุกข์ไว้ได้แต่ช่วงไหนที่ไม่มีการเจริญสติช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่กิเลส ต, ตัณหาโมหะอวิชชายังสามารถออกมาสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจได้แต่ถ้ามีทั้งสติแล้วมีทั้งปัญญา ปัญญานี้จะคอยสอนใจให้รู้ว่าผู้ที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชานี้เองปัญญาก็จะคอยสอนใจไม่ให้หลงไปกับความคิดความเห็นของโมหะอวิชชาที่ไปเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เป็นนิจังสุขขังอัตตา<ม>เห็นราบยศสารเสริญ<ม>เห็นรูปเสียงก ล, ลิ<ม>่นรสโผฏฐาพะก็จะเกิดความเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาออจะคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นที่เราจะอยู่กับเราไปนานๆ<ม>จะให้ความสุขกับเรา เพียงอย่างเดียวจะเป็นของเราไปตลอดแต่ตามความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นนิจจังสุขขังอนัตตาแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเวลา สิ่งที่เรารักเราชอบเกิดการดับไปเกิดการพัดภาคไปเวลานั้นความทุกข์ใจก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปสั่งให้สิ่งที่เรารักเราชอบนั้นอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดได้ต้องมีวันใดวันหนึ่ง ต้องมีการพัดพรากจากกันอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วถ้าไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายอันนี้คือสัจธรรมความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ผู้ที่ไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นผู้ที่ไม่มีปัญญานี้ จะถูกโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ความจริงนี้มาหลอกลวงให้ไปคิดว่าเป็นสุขให้ไปคิดว่าเป็นของถาวรให้ไปคิดว่าจะเป็นสมบัติของเราไปตลอดเราจึงผู้ที่คิดแบบนี้ ยิมากจะต้องพบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะเวลาเห็นอะไรก็คิดว่าถ้าได้มาแล้วจะมีความสุขนะจะได้เก็บสิ่งที่ให้ความสุขนี้อยู่กับเราไปตลอดแต่ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันไป พอเกิดความจากกันก็เกิดความทุกข์<ม>เกิดความเศร้าโศกเสียใจ<ม>นี่คือความจริงที่เราจะต้องสอนใจ<ม>ความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ของทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวร ม, มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อม มีการสูญเสียมีการเปลี่ยนแปลงไปเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาเกิดการสูญเสียความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาในใจเพราะใจจะยึดกับสิ่งที่ได้มาจะอยากให้สิ่งที่ได้มานั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่เสื่อมไปไม่หมดไปนั่นเอง พอเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเสือ่อมเกิดการหมดไปความทุกข์ใจก็ปรากฏขึ้นมาเพราะใจมองไม่เห็นอนิจจังและอนัตตาอนัตตาก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะคอยสั่งคอยบอกให้เขา ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสือ่อมไม่หมดได้เขาจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาจึางทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเรานี่มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงท่านถึงเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราถ้าเป็นร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เป็นของเด่นน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนทํามาจากธาตุทั้งสี่ทั้งนั้นทามาจากดินน้ำลมไฟผสมกันแล้วก็ทาให้เป็นสิ่งต่างๆขึ้นมาบางอย่างก็เป็นธาตุเด่นนุนล้ว น, วนบางอย่างก็เป็นธาตุน้ำนุนล้วน บางอย่างก็เป็นธาตุลมล้วนๆบางอย่างก็เป็นธาตุไฟล้วนๆบางอย่างก็เป็นการรวมผสมกันเข้ามาทำให้มีสิ่งต่างๆหลากหลายให้เราได้รู้ได้เห็นกันซึ่งถ้าพิจารณาเข้าไปลึกๆแล้วจะเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ล้วนประกอบขึ้นมาจากการรวม ผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ของธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมธาตุไฟนี่ธาตุนี้ก็คือความหมายก็คือว่าของที่เป็นของแข็งนี่ท่านก็เรียกว่าเป็นธาตุดินเช่นดินที่เรานั่งอยู่นี่บนพื้นเ ร, เรียกพื้นดินอันนี้ก็เป็นของแข็งเป็นธาตุดินธาตุน้ําก็เป็นของเหลวของเหลวต่างๆนี่ เราก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ำน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในทะเลน้ำในร่างกายของเราเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำต่างๆในร่างกายก็เป็นธาตุน้ำธาตุไฟก็คือความร้อนที่เกิดจากไฟที่ไหม้ลุกไหม้ก็เป็นธาตุไฟขึ้นมา หรือเกิดจากความร้อนของแสงสว่างของดวงอาทิตย์อันนี้ถ้าเป็นความร้อนนี้เราก็เรียกว่าธาตุไฟแล้วถ้าเป็นสิ่งที่พัดไปพัดมาสิ่งที่เราหายใจเข้าออกนี้เราก็เรียกว่าธาตุลมนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นการผสมรวมตัวของธาตุทั้งสี่หรือของธาตุทั้งสองหรือสามแล้วแต่มีมีหลากหลายด้วยกันแต่สิ่งต่างๆาเหล่านี้เหล่านี้ล้วนเป็นธาตุทั้งนั้นไม่มีอัตราตัวตนในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วเมื่อมารวมตัวกันมาเป็นต้นไม้ ต้นไม้นี้ก็ไม่มีตัวตนมาเป็นต้นหญ้ามาเป็นผักเป็นต้นผ ล, ลไม้ต้นอะไรต่างๆนี้ก็ไม่มีตัวตนเป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี่เกิดธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมธาตุไฟการที่เราจะปลูกต้นไม้ได้นี้เราต้องมีธาตุดินต้องมีธาตุน้ำต้องมีดินไว้ปลูกต้นไม้ เมื่อปลูกแล้วก็ต้องมีน้ํารดแล้วก็ต้องมีธาตุไฟคืออุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสมถ้าร้อนมากเกินไปก็ตายได้ถ้าขาดความร้อนทําให้เกิดความหนาวเย็นต้นไม้ก็ตายได้ต้นไม้นี้ก็ต้องหายใจต้องมีลมหายใจเหมือนร่างกายถึงจะอยู่ได้ yeah. นันสรุปลงไปก็คือสิ่งต่างๆที่มีชีวิตเช่นต้นไม้นี่เราเรียกว่ามีชีวิตมีการเกิดมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายทำมาจากธาตุทั้งสี่ทั้งนั้นคือทำมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อมารวมตัวกันแล้วก็เป็นต้นไม้ชนิดต่างๆเป็นต้นมะม่วงต้นส้ม ต้นทุเรียนต้นมังคุดต้นอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี่ทั้งนั้น <Yeah. S 1> เช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน <Yeah. S 1> ก็เป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี่เหมือนกัน <Yeah. S 1> ต่างกันตรงที่ว่า <Yeah. S 1> นอกจากธาตุทั้งสี่แล้วร่างกายของมนุษย์และร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี้ มีธาตุอีกธาตุหนึ่งเรียกว่าธาตุรู้มาเกาะติดอยู่ด้วยไม่ได้มารวมกันในร่างกายเพียงแต่มาเกาะติดกันเป็นเหมือนม้ากับคนขี่มา้าคนขี่ม้านี่ไม่ได้อยู่ในร่างกายของมา้าไม่ได้เป็นส่วนของมา้าแต่เป็นส่วนที่มาควบคุมม้าอีกทีหนึ่งคนขี่ม้านี่เป็นผู้สั่งให้ม้า วิ่งไปทางนั้นวิ่งมาทางนี้ให้เดินให้ยืนให้นั่งให้นอนให้ทำอะไรต่างๆร mm hmm. ่างกายของมนุษย์และของสัตว์ในละฉานก็เหมือนกัน mm hmm. เป็นเป็นร่างกายที่มีธาตุรู้มาคอยควบคุมบังคับอีก mm hmm. จึงทำให้มีความรู้สึกนับรู้อะไรต่างๆ mm hmm. ได้ ต่างจากพวกต้นไม้ที่ไม่มีธาตุรู้มาคอยรับรู้เช่นต้นไม้นี้ถ้าเราไปตัดกิ่งตัดก้านต้นไม้จะไม่รู้สึกว่ามันมีอาการเจ็บมีเวทนาแต่ถ้าร่างกายนี้เวลาถูกอะไรมาสัมผัสมากระทบเช่นของแข็งมาสัมผัสกับร่างกายก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาความเจ็บขึ้นมาทางร่างกาย แล้วก็มีผู้รู้เป็นผู้รับรู้อีกทีนึ่งร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้รับรู้ความเจ็บของร่างกายผู้ที่รับรู้ก็คือธาตุรู้นี้หรือที่เราเรียกว่าใจนี้เองนี่คือความแตกต่างระหว่างพวกต้นไม้ใบหญ้าต่างๆกับมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานต่างกันตรงที่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนี้ มีธาตุที่ห้าคือธาตุรู้มาร่วมกิจกรรมร่วมกันเป็นเหมือนกับม้าที่มีคนขี่ม้าเป็นผู้ที่มาเป็นเจ้านายของร่างกายกที่หนอ่งธาตุรู้นี่แหละเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆที่มาที่นี่ได้ในะวันนี้ ก็เพราะธาตุรู้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายนี้มาที่นี่กันอันนี้แหละ<ม>คือเรื่องของธาตุทั้งหลายที่ไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวตนธาตุรู้นี้ก็ไม่ได้เป็นตัวตนเป็นเพียงธาตุรู้ซึ<ม>่งเราเรียกว่าผู้รู้<ม>ผู้รู้ผู้คิด เพานอกจากถ้ารู้นี้จะรู้แล้วยังมีความรู้สึกนึกคิดด้วย mm hmm. ถึงทำให้ <Yeah. S 2> ร่างกายทำให้มนุษย์าานักสัตว์ในราฉานี้สามารถสัมผัสกับความรู้สึกต่างๆที่มากระทบกับร่างกายได้ <Yeah. S 2> สัมผัสกับความสุขความทุกข์ของทางร่างกายได้เ <Yeah. S 2> พราะมีผู้รับรู้อยู่ mm hmm. ส่วนต้นไม้นี้ถึงแม้เขาจะมีความสุขความทุกข์แต่ก็ไม่มีการรับรู้เขาก็เป็นต้นไม้ของเขาไปเขาก็จะมีผลตอบสนองจากความทุกข์หรือความสุขก็คือถ้าสุขก็คือต้นไม้ก็จะเจริญเป็นต้นไม้ได้อาหารได้น้ำได้ลมได้อากาศ ไม่ขาดแคลนอะไรต้นไม้ก็จะแสดงอาการเจริญ ง, งุ้มเรืองเจริญเติบโตขึ้นมาออกดอกออกผลถ้าช่วงไหนที่ต้นไม้ไปเจอกับทุกขเวทนาเช่นเจอ อ, อากาศแร้งขึ้นมาอย่างนี้ต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาใบก็ร่วงและถ้าขาดไปนานๆต้นไม้ก็ล้มตายได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่าไม่มีใครไปรับรู้ความสุขความเจริญหรือความทุกข์หรือความเสื่อมของต้นไม้เพราะต้นไม้นี้ไม่มีที่ธาตุรู้ต้องการที่จะไปไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ทำไมธาตุรู้จึงมาเกี่ยวข้องกับร่างกายของมนุษย์และร่างกายของสัตว์ในรชานก็เพราะว่าร่างกายของสัตว์ในรชาญและของมนุษย์นี้ มีสิ่งที่ท่านรู้ต้องการสิ่งที่ท่านรู้ต้องการคืออะไรก็คือต้องการตาหูจมูกลิ้นกายนี่ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะได้ไปเสพไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผธถภาต่างๆนี่เอท่านรู้จึงไม่ไปเกาะติดกับที่ต้นไม้ต้นหญ้าเพราะต้นไม้ต้นหญ้าไม่มีตาหูจมูกนิ้นกาย แต่จะไปเกาะติดกับร่างกายของมนุษย์และของสัตว์ในราชานที่มีตาหูจมูกลิ้นกาย<ม>เพราะสิ่งที่ทําให้ทธาตรู้นี้ต้องมาเกาะติดกับร่างกายของมนุษย์หรือของสัตว์เนราชานี้<ม>ก็เพราะในใจของธาตในในธาตรู้นี้มีตัณหาความอยากนี่เอ ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระความอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นเลยทําให้ธาตุรู้นี้ต้องมาเกาะติดกับร่างกายของมนุษย์และหรือของสัตว์เดรัจฉานการจะได้ร่างกายของมนุษย์นี้ต่างกับการที่จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน รได้ร่างกายของมนุษย์นี้ต้องพ้นจากบาปจะต้องไม่มีบาปมาดึงใจให้ไปติดกับร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนั่นเองถ้าตราบใดใจยังมีบาปที่ได้ทำเอาไว้อยู่มากกว่าบุญที่ได้ทําเอาไว้บาปนี้จะเป็นผู้ดึงใจให้ไปเกาะติดกับร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน แล้วก็ใช้บาปไปจนกว่าบาปนั้นจะหมดกำลังลงที่จะดึงใจให้ไปเกาะติดกับร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแล้วถึงจะได้มาเกาะติดกับร่างกายของมนุษย์แต่ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานหรือร่างกายของมนุษย์ก็จะต้องมีปัญหาเหมือนกันปัญหาของการมาเกาะติดกับร่างกายก็คือ ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายนี้เองอนิจังทุกขังอนัตตาร่างกายนี้ก็อันิจังทุกขังอนัตตาร่างกายเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป <Yeah. S 1> แล้วเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายร่างกายก็จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทากรู้ได้ ้ารรู้ต้องการดูต้องการฟังต้องการลิ้มรส ด, ดมกลิ่นแต่พอร่างกายไม่สบายก็จะไม่มีกำลังวังชาที่จะไปหารูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆมาให้ท่ารู้ได้เสพได้สัมผัสให้เกิดความสุขความสำนานใจขึ้นมาได้เวลา<ะ>นั้นท่ารู้ก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ใจอันนี้แหละที่มาของ ความทุกข์ใจของพวกเราทุกคนคำ ว, ว่าพวกเรานี้ก็คือธาตุรู้นี่เองเราเป็นมาจากธาตุรู้ธาตุรู้สมมุติตัวเองว่าเป็นเราเพราะมีความคิดเนี่ยความคิดนี่แหละเป็นผู้สร้างความสมมุติขึ้นมาสมมุติว่าธาตุรู้นี้เป็นเราแล้วธาตุรู้นี้ต้องการอะไร ถ้ารู้ต้องการความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณถ้ารู้ก็จะไปหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือในการที่จะได้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ก็จะได้ทั้งสองอย่างเวลาที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสามารถตอบสนองความอยากความต้องการของทารู้ได้ของใจได้ เวลานั้นความสุขก็จะเกิดขึ้นมาภายในใจภายในธาตุรู้นั้นแต่เวลาที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของธาตุรู้ของใจได้<ม>เวลานั้นธาตุรู้ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ<ม><ม>พวกเรานี้แหละคือธาตุรู้แต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นธาตุรู้ เนื่องจากเราไม่มีปัญญาที่จะวิเคราะห์ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเราก็เลยไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันเพราะว่าธาตุรู้นี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปล่าเห็นแต่ร่างกายและเนื่องจากธาตุรู้นี้มาเกาะติดกับร่างกาย แล้วก็ใช้ร่างกายสั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่มก็เลย่านรู้ก็เลยไปเหมามไปเทียดว่าร่างกายนี้เป็นธาตุรู้<ม>เป็นตัวเราของเราขึ<ม>้นมาแล้วพออะไรเป็นตัวเราของเราเราก็อยากจะให้มันดีอยากจะให้มันสมบูรณ์อยากจะให้มันทาหน้าที่ตอบสนอง ความอยากความต้องการของเราได้พอเราไม่สามารถพอร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยากความต้องการของเราได้เวลานั้นความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาในใจทันทีนี่แหละคือที่มาของความทุกข์ใจของพวกเรามาจากความอยากความต้องการของพวกเราที่ไม่ได้รับการตอบสนองนั่นเอง เวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วได้รับการตอบสนองนี้จะเกิดความสุขใจขึ้นมาอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับอะไรต่างๆพอได้สัมผัสแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแต่เวลาใดที่ไม่สามารถได้เสพสัมผัสตามสิ่งที่ต้องตามความอยากตามความต้องการ เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่แหละคือปัญหาของธาตุรู้ที่ไม่ต้องการความทุกข์แต่ก็ต้องมาเจอความทุกข์ธาตุรู้คือใจของพวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครต้องการความทุกข์กันพวกเรานนี้ต้องการความสุขกันและเราก็เลยคิดว่าการมีร่างกาย การได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้จะทำให้เรามีความสุขกันอันนี้เป็นการมองภาพไม่ครบสมบูรณ์มองเห็นเพียงครึ่งเดียว<ม>เห็นโลกธรรมทางด้านที่เจริญ ค, คือเวลาเจริญลาบยศสรเสริญสุขนี้<ม>ก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ไม่มองเห็น อีกด้านหนึ่งของลาบยศสารเสรินสุขว่ามันก็เป็นของที่ไม่เที่ยงนั่นเองมีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมเวลาจเจริญลาบก็มีความสุขแต่ไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการเสื่อมลาบขึ้นมาจะต้องมีการสูญเสียเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆเวลาเกิดการสูญเสีย ในตอนนั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือปัญหาของธาตุรู้ทั้งหลายที่มาเกิดเป็นมนุษย์กันมาหาความสุขกันแล้วก็ต้องมาเจอความทุกข์กันทุกทุกไายไปไม่มีใครยกเว้นยกเว้นคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกเท่นั้น เผื่อธารู้ที่เป็นพระพุทธเจ้า้าตรู้ที่เป็นพระอริยสงสารกนี้ได้มีความรู้ความฉลาดที่ได้เห็นว่าความทุกนี้เกิดจากการไปเสพสิ่งที่ไม่เที่ยมนั่นเองไปเสพสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพะที่ไม่เทีย่ยมที่มีการเกิดแล้วมีการดับไป ก็เลยหาวิธีใหม่หาวิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์ก็คือต้องระงรับการเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองระงรับความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสด้วยการเปลี่ยนวิธีเสพความสุขแบบใหม่อีกแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากนั่นเอง ถ้าหยุดความอยากได้เนี่ยจะปรากฏมีความสุขขึ้นมาภายในใจนและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะชนิดต่างๆความสุขแบบนี้มีผู้ที่ได้ค้นพบกันมาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุแต่เป็นความสุขแบบชั่วคราว คือการทําใจให้สงบด้วยวิธีการเข้าสมาธิเข้าฌานด้วยการเจริญสติอันนี้มีการปฏิบัติมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสโรแต่ยังไม่ได้เป็นวิธีที่สมบูรณ์ที่ถาวรคือเป็นการได้ความสุขแบบชั่วคราว เหมือนกับการได้ความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนั้นะเหมือนกันเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าที่ดีกว่าที่มีความทุกข์น้อยกว่าที่มีความยุ่งยากน้อยกว่าเพราะเป็นการควบคุมความคิดหยุดความคิดเท่านั้นเอง<ม>ด้วยด้วยการเจริญสติ<ม>ถ้ารู้จักวิธีเจริญสติรู้จกักควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ ใจก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้นะหยุดความอยากต่างๆไว้ได้ชั่วคราว<ม>พอความอยากต่างๆที่เคยทำงานอยู่ตลอดเวลาที่คอยกระตุ้นให้ใจนี้ต้องดิ้นไปหาสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา<ม>พอสามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการจเจริญสติ ก็จะเกิดความสงบขึ้นมาภายในใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็เป็นการหยุดความอยากชั่วคราวเหมือนกันเช่นเวลาอยากไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวนี้ความอยากไปเที่ยวมันก็หยุดแล้วพอความอยากไปเที่ยวหยุด ความทุกข์ที่เกิดจากการอยากไปเที่ยวก็หายไปความสุขที่ได้ไปเที่ยวก็ปรากฏขึ้นมาแต่มันก็เป็นการหยุดความอยากไปเที่ยวได้แบบชั่วคราวพอกลับมาบ้านอยู่ใบบ้านไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวความอยากไปเที่ยวก็โผล่ขึ้นมาอีกพอเกิดความอยากไปเที่ยวขึ้นมาใจก็เริ่มมีความรู้สึกหกรดกิจรำคาใจ รู้สึกเศ้าสซอยหงอยเหงา ว, ว้าเหวขึ้นมาแล้ว mm hmm. การที่จะทำให้ความรู้สึกเหล่านี้ mm hmm. หายไป mm hmm. ก็ต้องไปทำตามความอยากอยากไปเที่ยวก็ต้องไป mm hmm. พอไปเที่ยวแล้วความอยากที่มาสร้างความหงุดหยิดสร้างแรความใจมันก็จะหยุดชั่วคราวเพราะมันได้สิ่งที่มันต้องการแล้ว mm hmm. ได้ทำตามความอยากแล้ว mm hmm. แล้วความ สุขก็จะปรากฏขึ้นมาแต่มันก็เป็นความสุขเดียวเยวเพราะหลังจากที่ไม่ได้เสพสิ่งที่ได้ไปเสพไม่ได้ไปเที่ยวสักพักหนึ่งความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็จะจางหายไปหมดพอมันจางหายไปความอยากไปเที่ยวก็โผล่ขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นการเสพของผู้คลองเรือน ของผู้ที่เป็นคารวาสญาติโยมเนี่ยต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้หยุดความรู้สึกหงุดหงิดลำคาใจท<ม>่านคงเห็นในช่วงที่ออกไปนอกบ้านไม่ได้ช่วงที่มีโรคระบาดนี<ม>่จะรู้สึกหงุดหงิดกันมไม่มีความสุขกันเพราะไม่สามารถหยุดความอยากที่ออกไปเที่ยวได้อยากออกไปเที่ยวได้ แต่พอทางการเปิดอนุญาตให้ได้ออกไปเที่ยวกันนี้ความรู้สึกหนวดเกลียดลำคาญใจที่มีอยู่ในขณะที่อยู่บ้านก็หายไป<ม>พอได้ออกไประบาย<ม>ได้ไปทําตามความอยากพอได้ทําตามความอยากความอยากนั้นก็จะหยุดชั่วคราว<ม>ทําให้ใจรู้สึกสุขสบายขึ้นมาทันทีไม่ใช่รูปเสียงกลิยดลดที่ทาให้ใจสุขให้ใจสบายหรอก สิ่งที่ทําให้ใจสบายก็คือการหยุดทํางานของความอยากชั่วคราวท่านั่นเองพอเราอยากได้อะไรพอเราได้แล้วความอยากนั้นมันก็จะหยุดไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะกลับมาใหม่เพราะสิ่งที่เราได้มันเหมือนกับมันจางหายไปแล้วความสุขที่เราได้จากสิ่งที่เราอยากได้มันจะจางหายไปแล้วมันก็จะทําให้เกิดความอยากที่จะได้ใหม่ เราเลยต้องมีความอยากอยู่เรื่อยๆแล้วเราต้องคอยหยุดความอยากอยู่เรื่อยๆด้วยการกระทําตามความอยากต่างๆเราถึงจะมีความรู้สึกสบายใจกันแตพอเราไม่สามารถทําได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจเวลาที่เรามีอุปสรรคในการที่จะทําตามความอยากเช่นเครื่องสนับสนุนไม่พร้อม เ ง, เงินทองไม่พร้อมหรือสิ่งที่เราต้องการนี้เราไม่สามารถที่จะเอามาได้ตามความอยากเพราะของบางอย่างนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทอง <Okay. S 1> ของบางอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราบางทีต้อง <Okay. S 1> อขอหรือต้องทำให้มันมาหาเราให้ได้ <Okay. S 1> เช่นคนนี้เราซื้อเขาไม่ได้เ <Okay. S 1> รืออาจจะซื้อได้ในทางอ้อม เอาใจเขาเอาอกเอาใจเขาให้เขาชอบเราพอเขาชอบเราเขาก็อาจจะมาอยู่กับเราอย่างนี้แต่ถ้าวันดีคืนดีเราเกิดไปพูดไปทำอะไรที่ทำให้เขาไม่พอใจเขาก็อาจจะไม่อยู่กับเราต่อไปก็ได้นี่คือเรื่องของการหาความสุขของผู้ครองเรือนที่จะต้อง เจอกับความสุขความทุกข์สลับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวันตายแล้วก็จะไม่มีวันหมดความอยากจะหาความสุขแบบนี้มันจะไม่มีวันหมดมันก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปใจผู้ยังมีความอยากหาความสุขแบบนี้อยู่ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปไปเกิดใหม่ แล้วก็ไปหาความสุขกับร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปทุกข์กับการผิดหวังทุกข์กับการสูญเสียทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายของร่างกายนี่คือปัญหาของาธาตุรู้ที่ขาดปัญญาที่ถูกโมหะอาวิชชาเสี่ยมสอนหรือหลอกลวงให้ไปหาความสุขที่ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองมีอีกพวกหนึ่งคือพวกนักบวชนี้เขาเห็นเขาเห็นโทษของการเสพกามเขาเห็นภัยของการเสพรูปเสียงกลิ่นรดเสพราบยศสารเสริญ<ม>เขาก็เลย<ม>ไปหาความสุขอีกแบบหนึ่ง<ม>คือความสุขจากการเข้าสมาธิเข้าฌานด้วยการเจริญสติ<ม><ม>เขาก็สามารถ ทำใจของเขาให้มีความสุขได้เหมือนกันเขาก็หยุดความอยากเหมือนกันแต่การจะหยุดความอยากของเขานี้ต่างจากการเป็นผู้ครองเรือนคารวาผู้ครองเรือนหยุดความอยากด้วยการทำตามความอยากแต่ผู้ที่เป็นนักบวชนี่เขาหยุดความอยากด้วยการหยุดความคิดหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งด้วยการเจริญสติ อารมใดอารมณ์หนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> เช่นพุทโธหรืออานาปนสติดูลมหายใจเข้าออกในขณะที่เขานั่งสมาธิถ้าเขานั่งสมาธิแล้วเขามีสติควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ก็จะสามารถหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็จะเน่งสงบขึ้นมาแล้วก็เกิดความเกิดความสุขขึ้นมา ที่เป็นความสุขที่วิเศษกว่าเหนือกว่าความสุขที่ได้รับจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ก็ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวเหมือนกับความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เพราะว่าพอหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วความอยากที่ถูกสติคอยกดเอาไว้คอยหยุดเอาไว้ก็จะออกมาทำงานต่อไปได้ เพราะเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ต้องมีการคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไปจะไม่สามารถที่จะหยุดความคิดได้ตลอดเวลาเพราะ <blat> มีเรื่องที่จะต้องทำให้คิดเนี่ยเพราะว่ายัางมีร่างกายที่ยังต้องมาเลี้ยงดูอยู่ต้องมีงานการที่จะต้องทำอยู่ต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายก็ต้องใช้ความคิดแล้วถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่าง ที่เคยชอบที่เคยรักมาในอดีต<ม>ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาได้เหมือนกัน<ม>ผู้ที่มีสติผู้ที่ฝึกสมาธินี้ถึงต้องระมัดระวังเวลาที่ออกจากสมาธิมาอย่คอยควบคุมใจไม่ให้คิดไปในทางความอยากต่างๆ<ม>ถ้าคิดก็ต้องใช้สติยับยั้งเอาไว้หยุดเอาไว้กลับเข้าไปในสมาธิใหม่แต่ทำอย่างนี้ไป เท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบ ก, ก็ต้องมีการคอยใช้สติคอยกดความอยากเอาไว้แต่ไม่สามารถทำให้ความอยากนี้หายไปได้พระพุทธเจ้าก็ได้ปฏิบัติได้ศึกษามาถึงขั้นนี้นนได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สอนวิธีหยุดความคิดดับความทุกข์ด้วยการเข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌาน แต่ไม่สามารถหยุดความคิดหยุดความอยากในขณะที่ออกจากสมาธิออกมาจากฌานได้ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าก็เลยอยากจะให้ใจนี้ไม่ต้องมีความทุกข์กับสิ่งต่างๆหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้ว <Yeah. S 1> พระองค์ก็เลยต้องคิดค้นคว้าด้วยพระองค์เองหาสาเหตุว่าอะไรที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ในขณะที่ออกจากสมาธิองก็ทรงเห็นว่าก็คือความอยากนี้เองเวลาอยู่ในสมาธิความอยากก็ไม่มีแต่พอออกจากสมาธิมาพอ เ, เห็นรูปเสียงกลิ่นนก็อยากได้อยากเสพขึ้นมาทันทีพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เกิดความบวกิจนลำคาญใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันที พรองก็เลยทงค้นพบว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสหรืออยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นหรือในทางการปฏิบัติที่ขั้นสูงความอยากมีก็คือความอยากมีความสุขจากรูปประชานความอยากไม่มีก็คือความอยากไม่มีความสุขจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวง อยากมีความสุขจากอารูปปัจจานหลังจากได้ทรงพิจารณาแล้วก็หาวิธีว่าเราทําไงถึงจะหยุดความอยากเหล่านี้ได้ mm hmm. ก็ทรงเห็นว่าต้องเห็นว่ามันเป็นตายรักณ์นั่นเองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นตาลัก mm hmm. เห็นว่ารูปประจานอารูปประจานนี้เป็นตายรัก mm hmm. เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีวันสิ้นสุด มีกาดแล้วมีดับถ้ายังตราบใดยังไม่เห็นความจริงอันนี้อยู่ก็ยังมีความอยากที่จะเสพกามอยู่ยังอยากจะเสพรูปเสียงยังจะอยากจะเสปรูปประชานอารูปประชานอยู่แต่ถ้ามีปัญญาสอนใจให้เห็นว่าตามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงบางทีก็เสพได้บางทีก็ไม่ได้เสพ เวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ขึ้นมารูปฌานการรูปฌานก็เหมือนกันบางทีก็เข้ามีเวลาก็เข้ารูปฌานเอารูปฌานได้บางเวลาก็ไม่ว่างเข้าไม่ได้เพราะยังต้องออกมาดูแลร่างกายอยู่ยังต้องเลี้ยงร่างกายต้องอะไรทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายอยู่เวลานั้นก็เข้าไปในรูปฌานอารูปฌานไม่ได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะความอยากเข้าไปในรูปฌปานไม่สามารถเข้าไปได้ความอยากเข้าไปในรูปฌปานก็เข้าไปไม่ได้ <Yeah. S 1> ยิง่งถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องตัดความอยากหรหยุดความอยากด้วยการเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสั่งมันให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลา ไม่สามารถสั่งให้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่สามารถสั่งให้รูปประชานารูปประชานให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเพราะมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีความอยากทั้งในทั้งสามสิ่งนี้แล้วความทุกข์ก็จะหายไปแล้วพอความทุกข์หายไปความสงบก็จะเกิดขึ้นมาในใจ แล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากการระ ง, ง, งับความอยากต่างๆอันนี้แหละเป็นความสุขที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นปนิพพ า, านไม่ใช่เป็นความสุขของรูปฌปานไม่ใช่เป็นความสุขของอรูปฌานไม่ใช่เป็นความสุขของกามาคุณทั้งห้าเพราะกามาคุณทั้งห้ารูปฌานอรูปฌานนี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นล้วนเป็นอนิจจทุกขังอนัตตา แต่การได้ความสุขจากการไม่ทําตามความอยากด้วยการฝืนด้วยการหยุดความอยากนี่พอฝืนความอยากได้ชนะความอยากได้ความอยากมันจะหยุดไปถ้าเราสู้กับมันไปตอนต้นมันก็จะพยายามดันเราอยู่เรื่อยๆดันให้เราไปทําสิ่งต่างๆแต่ถ้าเรามีกำลังมากกว่ามีปัญญาคอยเตือนใจว่าอย่าไปทำนะทาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องทาอยู่เรื่อย ถ้าไม่ทำเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองพอเราไม่ไปทำตามมันในที่สุดพอมันรู้ว่าเราไม่ทำจริงๆมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะไม่มารบกวนใจเราเอีกต่อไปใจที่ไม่มีความอยากก็จะเป็นใจที่นิ่งที่สงบตลอดเวลาที่มีความสุขตลอดเวลาอันนี้แหละเป็นการวิธีแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าที่ถูกทาง ก็เป็นวธิธีวิธีที่กำจัดความทุกข์ต่างๆได้อย่างถาวรถ้าไม่มีความอยากทั้งสามนี้แล้วการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วในใจนี้จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดึงใจให้ไปเกาะติดกับร่างกายอีกต่อไปเพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะไม่ต้องพอใจเห็นโทษของความอยาก ที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสพอไม่เสพก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเหมือนคนที่เห็นโทษของการมีโทรศัพท์มีถือว่ามันยุ่งยากวุ่นวายก็เลิกใช้มันเสียพอเลิกใช้แล้วก็สบายไม่ต้องมากัวงวลกับเรื่องโทรศัพท์ไม่ต้องคอยมาคอยชาร์จแบบต้องคอยรักษามันต้องคอยเปลี่ยนรุ่นอยู่เรื่อย เดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่ออกมาเดี๋ยวก็มีการพัฒนาระบบต้องคอยติดตามอยู่เรื่อยๆเห็นว่ามันเป็นเรื่องรำคาญใจ <c oughs> ก็ไม่ไปยุ่งกับมันดีกว่าเลิกเลิกใช้โทรศัพท์พอ <c oughs> เลิกใช้แล้วก็สบายไม่ต้องไปทุกข์กับโทรศัพท์มือถืออีกต่อไป <c oughs> นี่แหละคือเรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่เป็นสารณะที่เป็นพระรัตนไตรนีเป็นผู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันมาจนทำให้พระพุทธเจ้าและพระอริยสังสาวกนี้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรคือความสุขของพระนิพพานซึ่งมีคุณค่าราคายิ่งกว่ามากกว่าราคาของเพชรนินจินดาต่างๆ ความสุขที่ได้จากมีเพตนินจินดานี้เป็นความสุขที่ยังคุกเข่าไปด้วยกับความทุกข์แต่ความสุขที่ได้จากพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์เนี่ยยังถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราถึงเรียกพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นพระรัตนะเป็นอัญญมณีอันล้มข้า เพราะท่านจะเป็นผู้ที่พาให้เราไปได้พบกับความสุขอันล้ําค่านั่นเองก็คือความสุขของพระนิพพานถ้าพวกเราต้องการความสุขของพระนิพพานพวกเราก็ต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจน้อมเอาวิธีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกปฏิบัติธรรมเข้ามาสู่ใจของเราปฏิบัติตาม พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นพระตามคาสอนสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นกันถ้าเราทาได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้อัญญามณีอันนําค่าเข้ามาสู่ใจของพวกเราต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็ ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปริกปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานัง e อุปการปฏิอิที e ิตังปทิตังตุมหังคิป้เมวะสมิจจโตสะเภปุเรนโตสังกปา จันโทปะนะหราโสยะามณิโชติหราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิศะนิจังวุธาปะจายโน จตารธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรนี่ขอเชิญถามในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามนั้นใครอยากจะถามอะไร ก็เดี๋ยวจะส่งไปให้ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้ถามดูทางบ้านก่อนว่ามีใครติดตามเท่าไหร่ช่วงนี้จาก Facebook า6 3 YouTube 2ส2มยทยสิบอวิออนไลน์บผู้รับฟังหน้ากุติ227รยรวม8 1ดรอสิบห้าท่านค่ะ ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้มีใครอยากจะถามไหมหมอหมออันจะถามอะไรหรือเปล่านถามเลยคุณหมอครับหลงพ่อเจ้าขาตอนนี้ก็สืบเนื่องมาจากอาทิตย์ที่แล้วก็คือว่าบางทีก็เพ่งเพ่งผมตอนที่ฝันฝันเป็นผมนะคะเหมือนกับว่าเป็นอุกขะหะนิมิต แต่ว่าพอเพ่งผมไปแล้วมันอยู่ได้ไม่นานเจ้าค่ะก็เลยเพ่งผมกะลมไปพร้อมกันมันจะตีกันไหมเจ้าค่ะก็ถ้าเราทําให้ใจเรานิ่งได้ก็ไม่ตีกันค่ะเพราะว่ามันถ้าเพ่งอย่างเดียวปุ๊บปุ๊มันเหมือนกับว่ามันไม่แน่นเจ้าค่ะก็เลยดูลมหายใจเข้าออกไปพร้อมกับเพ่งไปด้วยเลยเจ้าค่ะได้ได้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็บางครั้งบางครั้งอีกบางครั้งอ่า ในวันถัดไปเนี่ยเราก็ไล่วงจรผมแล้วก็ให้เห็นเป็นให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูลแล้วก็บางทีก็ลงเป็นท่าสีแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนนะคะก็ต้องทำไปเรื่อยๆก็ทำไปเหมือนกับซ้ำๆหลายๆร้อยรอบพันรอบใช่ไหมเจ้าค่ะมันมันก็เป็นท่าดินนี่เองผมค่ะเดี๋ยวตกทิ้งไปในดินเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายกลายกลายเป็นดินไปค่ะแล้วพี่นามีตัวตน ผมนี่ไม่มีตัวตนขนไม่มีตัวตนเล็บฟันไม่มีตัวตนทั้งร่างกายสามสิบสองอาการนี้ไม่มีตัวตนเลยเป็นธาตุสี่อย่างที่ได้เทศไว้ล่วงน่ะเมื่อก่อนนี้ว่าดินน้ําลมไฟส่วนที่เป็นของแข็งก็เป็นธาตุดินค่ะส่วนที่เป็นของเหลวก็เป็นธาตุน้ําค่ะส่วนที่เป็นความร้อนก็เป็นธาตุไฟค่ะส่วนทีเ่เป็นลมก็เป็นธาตุลมเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างกายนี้ ไม่มีตัวตนคนไปดูในร่างกายอาการ32นี่ไม่มีส่วนไหนว่าเป็นเราเป็นของเราเลย oh, เรา <so S 2> ไปตู่มันเองเห <so S 2> มันคนโบราณที่ไปตู่ว่าโลกนี้แบนใช่ไหมก็มันไม่แบนมันตรงอย่างว่าเรามองไม่เห็นมันใหญ่มากก็เลยคิดว่ามันแบรนร <so S 2> ่างกายนี้เราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดเราก็เลยไปตู่ว่ามันเป็นเรานั่นเองแต่ความจริงเรามาเ mm hmm. กาะ ร่างกายนี้พ่อแม่เป็นคนสร้างขึ้นมาออืแล้วเราคือถ้ารู้ก็มาเกาะมันคแล้วก็มาครอบครองมันมาใช้มันพาเราไปไหนมาไหนที่ไหนพออยู่กับมันมันเป็นเหมือนแฝดสยามมันก็เลยคิดเป็นตัวเดียวกันใช่ค่ะแล้วความต้องใช้ปัญญามาคอยเตือนขอยแยกแยะว่าเราคือผู้พิจารณาร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายค่ะร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟ่าการสามสิบสอง ซึ่งวันหนึ่งจะต้องแยกจากกันเจ้าค่ะเรากับร่างกายนี้จะต้องแยกจากกันเราเป็นธาตุรู้เราก็ต้องอยู่กับธาตุเราก็ต้องอยู่เป็นธาตุรู้ไปเจ้าค่ะแต่ตอนนี้เรามามีมีโอกาสได้มาเกาะติดกับร่างกายเจ้าค่ะก็ควรจะเอามาใช้ในทางที่จะทาจําให้เรานี่ไม่ต้องกลับมาเกาะติดกับร่างกายต่อไปเจ้าค่ะมาตัดความอยากต่างๆ แล้วค่ะก็คือให้เราพิจารณาซ้ำๆไปให้ให้ให้มากที่สุดแล้วถึงรอบของมันมันก็จะมันจะได้ปล่อยวางได้มันจะได้ไม่กลัวตายอ๋อวันหนึ่งมันก็จะปล่อยวางของมันจิตจะปล่อยวางเองไ่มเราเนี่ไม่กลัวมันทําไมเจ้ค่ะมันเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นนี่เราไม่ถือว่าเป็นเราใช่ไมเจ้าค่ะถ้าเขาเป็นอะไรเราไม่เดือดร้อนใช่ไหมไม่เดือดร้อนเพราะร่างกายของเรานีเราไปถือว่าเป็นของเราขึ้นมา พอมันเป็นอะไรก็เดือดร้อนแต่ความจริงร่างกายของคนอื่นกับร่างกายของเรามันก็เหมือนกันเป็นดินน้ํำลมไฟเหมือนกันเป็นเหมือนรถยนต์เนี่ยค่ะคนเรานี่มีร่างกายมีรถคนละคันคนละคันไงแล้วก็ไปหลงคิดว่าเป็นเป็นของเราเป็นตัวเราขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วแล้วพี่นาความทุกข์ที่เกิดจากผมก็คือให้ให้จินตนาการไปก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะว่าผมร่วงผมไปยอมรับตามสภาพของมันไง อ, อย่าไปฝืนความจริง มันจะร่วงก็ปล่อยมันร่วงไปมันจะหงอกก็ปล่อยมันหงอกไปค่ะถ้ายังทำอะไรได้ก็ทำไปถ้าอยากจะทำถ้าอยากจะย้อมก็ย้อมไปไม่ว่ากันย้อมบ่อยๆมันอาจจะเบื่อก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็มาโผล่ขึ้นมาใหม่วันหนึ่งมันก็จะยอมแพ้วปล่อยมันปล่อยมันขาวไปหงอกไปก็ได้ ดีเลยเขาจะได้รู้เราเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ผสูงอายุเนี่ยบางทีก็มองเราเป็นหน้าเป็นเดดไป<笑><笑><笑><笑>ไม่ให้ความเคารพคนสงสาก็เขาให้ความเคารพเลยเจแล้วแล้วพระโสดาบันนี่ท่านย้อมผมไหมเจ้าค่ะอ๋ะท่านไม่ยึดติดกับร่างกายแต่ท่านท่านยังอยู่ในสังคมที่อาจจะต้องย้อมท่านก็อาจจะย้อมก็ได้ก็คือไม่ผิดทางทางธรรมนะเจ้าค่ะคือท่านไม่ชุกกับมันอย่เราการพู ง, ง่าย ยอมก็ได้ไม่ยอมก็ได้ไไแต่คิดว่าคงไม่ยอมมากกว่าเช้าค่ะท่านคงไม่อยากจะไปวุ่นวายกับมันค่ะอี ก, อ, กอีกสเต็ปหนึ่งเจ้าค่ะนี่ถาม ร, ร่วงหน้าเจ้าค่ะคือว่าพอพอพิจารผมแล้วเข้าสู่ความสงบแล้วแล้วแล้ว อ, อสุภะที่จะทำต่อไปคืออสุภะของผมหรือว่าอสุภะของร่างกายเจ้าค่ะครับทั้งร่างกายเนี่ยคือ เ, เวลาเรามองร่างกายเราจะมองทั้งล่างใช่ไหม มัน่็สวยงามใช่ไหมเราก็ต้องมองให้เห็นว่ามันไม่สวยงามค่ะเช่นมองตอนที่มันเป็นซากศพอย่างนี้เจ้าค่ะค่หรือถ้ามองเข้าไปในใต้ผิวหนังได้เจ้าค่ะหรือว่าการอวัยวะต่างๆที่มีซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเจ้าค่ะถ้าเห็นอะไรต่างๆภายใต้ผิวหนังแล้วก็จะไม่เห็นว่าสวยงามเจ้าค่ะคือเรือมองในส่วนที่น่าเกลียดก็ได้ ข, ของที่เราขับทายออกมาก็ออกมาจากทางร่างกายเราต้องเอาเอาการ32มามาไล่เหมือนเดิมไหมเจ้าคะอันนี้ไม่ต้องก็ได้อันนี้ตอนตอนต้นเราไล่ไ ป, ไปก่อนเพื่อทําความรู้จักเจ้าค่ะเมื่อ ร, รู้จักแล้วต่อไปเราก็นึกภาพานึกภาพถ้าไม่เห็นก็ไปเปิดหนังสือดูหนังสือมันแล้วก็ามานึกภาพ ปอดเป็นยังไงไตเป็นยังไงตับเป็นยังไงลําไส้เป็นยังไงโครงกระดูกเป็นยังไงเราพยายามหัดนึกอยู่เรื่อยๆค่ะพอไปเวลามองเห็นร่างกายไม่ว่าของเราหรือของคนอื่นก็มองเข้าไปให้เห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงอะไรต่างๆเจ้าค่ะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วกามอารมณ์มันจะไม่เกิดนะค่ะแต่ถ้ามันเห็นเพียงแต่ภายนอกนี่เห็นแต่รูปร่างหน้าตาเนี่ยมันก็จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาได้เจ้าค่ะ แล้วแล้วหนูต้องรอทําอันนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยอาสุภาพไหมคะหรือว่าหนูควบแล้วแต่จังหวะไปเลยเจ้าคะก็ได้ทั้งนั้นบางทีมันทําเตรียมไว้ก่อนแล้วพอถึงเวลามันก็ทําข้อสอบได้ที่จะพร้อมๆกันเลยก็มีอ๋อเจ้าค่ะไม่ต้องบางทีมันบรรลุแบบหนึ่งสองสามสี่ไปเลยทีเดียวค่ะถ้ามันเตรียมการไว้ก่อนพิจารณาไว้ก่อนล่วงหน้าเอเราถึงเวลาจริงๆมันก็สามารถที่จะ ทำการได้เลตัดได้ทันทีมันต้องมีกําลังตัดเท่านั้นที่ขาดอยู่ก็คือสมาธิหรืออุเบกขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีแล้วไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้จ้ะค่พออยากเสพกางก็หยุดไม่ได้พออยากจะเสพรูปประชานก็หยุดไม่ได้จะค่อยากจะเสพว่ารูปประชานก็หยุดไม่ได้จ้ะค่แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วก็จะหยุดได้จ้ะค่อีกคําถามสุดท้ายค่ะ สดยเพเจ้าคะความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพลาคเนี่ยเราต้องปฏิบัติถึงขั้นพระอริยบุคคลขั้นไหนเจ้าคะถึงจะตัดความทุกข่อแต่พระโสดาบันอะไนี้ท่านก็ไม่ทุกข์กับความความพัดพลาคจากกันละท่านเห็นเป็นอนิจจังเห็นธาตุเป็นธาตุเป็นธาตุสี่ดินน้ําลมไฟแต่เราก็ยังร้องไห้เสียใจเพราะเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นดินน้ําลมไฟเรายังเห็นว่าเป็นนายกรนายขอเป็นที่เป็นพ่อเป็นน้องอะไรอยู่ อมันเป็นเพียงร่างกายตัวที่เป็นพี่เป็นพ่อก็คือตัวใจหรือธาตุรู้ที่มาครอบครองร่างกายเขาก็ไปตามวาระของเขาไปออืเขาก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเห็นก็เลยไม่มีอะไรจะต้องมาเศร้าโศกเสียใจเป็นเพียงแต่ว่าต้องยิจจากกันเพราะก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศนี้เราไปโลกทิพย์แล้วเราอยู่โลกโลกธาตุเชื่อค่ะ ก็มีเท่านั้นก็จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจกับการพัดพากจากกันแล้วพระละหันที่ท่านทิ้งขันห้าไปแล้วแล้วนิพพานไปแล้วนี้เราเรายังปฏิบัติเป็นปุถุชนอยู่เราจะติดต่อท่านท่านได้ไหมเจ้าคะอันนี้หมายถึงถ้าร่างกายท่านตายไปแล้วเหรอหมายถึงว่าพระสมมติว่าพาาระละหันที่เราเเป็นอาจารย์เรา ท่านสิ้นไปแล้วแล้วเราจะติดต่อกันได้ไหมเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่าท่านอยากจะติดต่อกับเราหรือเปล่าทั้จสองเรามีพลังจิตที่จะไปติดต่อกับท่านได้หรือเปล่าคื อ, อพลังจิตเราน้อยแต่ว่าท่านพลังจิตเยอะท่านก็ต้องสื่อกับเร า, าช่วยเราหน่อยก็ไม่แน่ถ้าบางทีท่านอาจจะห่วงเราท่านก็อาจจะส่งพลังจิตมาหาเราแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องรับเราก็รับไม่ได้ถ้าเราไม่มีอุปจาระสมาธิเราก็รับไม่ได้อ๋อเจ้าค่ะ ต้องมีอุปจารสมาธิเพราะาพระพุทธเจ้ามีอุปจารสมาธิก็รับเทวดาได้เจ้าค่ะทวดาก็มาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้อ๋อคือเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเออถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสิ้นไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็มาช่วยเราเองเจ้าค่ะหรือเราจะสิ้นก่อน <c oughs> อันนี้ก็ไม่ทราบถ้าท่านมาช่วยขณะท่านอยู่ ยั ง, ยงช่วยเราไม่ได้แล้วเวลาท่านตายแล้วท่านจะช่วยเราได้ยังไงเจ้าค่ะทานสอนให้เราช่วยตัวเองอ๋อเจ้าค่ะตันโนนาโถเรื่องของการปฏิบัตินี่ปฏิบัติให้กันไม่ได้เจ้าค่ะสอนก็สอนแล้วบอกแล้วทุกอย่างครบถ้วนแล้ว ท่านก็ถือว่าท่านทําหน้าที่ของท่านสมบูรณ์แล้วก็คิดว่าท่านคงยังไม่กลับมาหาเราเอีกแล้วเจ้าค่ะหนูถามเผื่อว่าถ่าแบบว่าทําขั้นสูงขึ้นไปอีกเจ้าค่ะเราไม่มีครูบาอาจารย์แล้วแล้วก็ก็จะไม่มีใครมาสอนเราแล้วเจ้าค่ะก็ต้องมีอย่างคุณแม่แก้วเนี่ยคุณแม่ชีแก้วเนี่ยท่านมีอุปจารสมาธิแล้วคืนที่หลวงปู่มั่นจากไปท่านก็มาเข้าในสมาธิบอกว่าเราไปแล้วนะ พอดีแม่แก้วจะจะไปเยี่ยมท่านไงเจ้าค่ะหลวงปู่ไปก็ไปเจอแต่ร่างกายแต่ตัวเราไม่อยู่แล้วเจ้าค่ะท่านมาเข้าในสมาธิของแม่ชีเจ้าค่ะค่ะท่า น, นาท่านก็ยังติดต่อกันได้อยู่อ๋อเจ้าค่ะกับาวขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามเชิญกล่าวธรรมสการ์ พาอาจารย์นะคะก็เป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะค ะ, ะทั้งหมดที่มากันคือเรียกง่ายๆภาษาทางการ น, นะเจ้าคะว่าเป็นกลุ่มสาวประเภทสองค่ะก็ทั้งหมดเลยไม่รู้นอะมัต้องหลอก้ไม่รู้ <c oughs> เป็นค่ะอยากจะถามว่าคือในกรณีอตอนนี้ค่ะ ตอนแรกเกิดมาเป็นร่างสมบูรณ์เป็นผู้ชายครบหมดเลยแล้วตอนนี้ก็คือได้ดัดแปลงกลายสังขารตรงนี้ค่ะไม่ทั้งแตลงเพศ เ, เสริมหน้าอก อ, าอยากอยากทราบอะค่ะว่ามันมันเป็นบาปหรือเป็นกรรมส่วนไหนไหมคะแล้วบาปกรรมตรงนี้ค่ะมันมันมั น, ม, นมันติดตัวเราไปถึงภพหน้าหรือว่าภพไหนไหมเจ้าค่ะมันก็เป็นการมกิเลสเป็นกรมตัณหา ความอยากสวยอย่างางามในกภาวะตัณหาทางร่างกายก็มีทั้งคนที่เป็นประเภท1ประเภทสองก็ไม่เหมือนกันจะคนที่เป็นสาวแท้เขาก็ยังเสริมอกของเขาอยู่เขาก็ <c oughs> <c oughs> ไปทําผมอะไรของเขาอยู่เหมือนกันคือกายกายไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่กายของเราแน่นอนแล้วเรามาเฉือนไปดัดแปลง <c oughs> ไปทําอะไรของเขาอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นกิเลสไง เป็นความอยากการ ม, มาตัณหาค่ะอยากได้ของสวยๆองงา่ายให้ร่างกายเราสวยงามให้รูปเสียงกลิ่นรสของเราสวยงามจะค่ก็เป็นความอยากที่ยังจะทําให้เราต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันอยู่เรื่อยๆก็ยังกลายเป็นให้เวียนว่ายกลับกับความทุกข์ของกิเลส ต, ตรงนี้ อ, อย่างต้องมาทุกกับร่างกายต่อไป <c oughs> แล้ ว, แ ล, วแล้วจะหลุด ผลจากตรงนี้ได้ได้ยังไงเจ้าค่ะก <m uch> ็ต <m uch> ้อยุดเหตุการมไม์ไม่ไม่หาความสุขจากร่างกายของของเราหรือของคนอื่นไหว้มันเป็นไปตามธรรมชาติเจ้าค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันจะสวยก็ปล่อยมันสวยไปพอมันไม่สวยก็ปล่อยมันไม่สวยไปจ้าค่ะมองหมายว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกอย่างมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปก <m uch> ิจตใจความแก่บ้างต่อไปร่างกายของใครก็ตาม ไม่ว่าจะเสริมยังไงหรือไม่เสริมก็ตามมันก็ต้องแก่พอแก่ก็เป็นเหมือนกับของเก่านะของไม่ง่านดูไปนั้นอย่าไปติดความสวยงามของร่างกายแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่มามามีร่างกายกันที่เราเต้องการความสวยงามเพราะเราอยากจะมีคนมารักเรามาชอบเราใช่ไหมเราจะได้เศษการามกับเขา Uh huh. แต่ถ้าเราไม่เสกการมแล้วเราก็ไม่สนใจเราก็ใครจะมาชอบเราหรือไม่ชอบเราเราก็ไม่สนใจแต่เราจะทําอย่างนี้ได้เราก็ต้องไปเสกสมาธิอย่างแม่ชีนี่ uh huh. อันนี้เขาเปียกแล้วเขาไม่สนใจนะดูแต่ผมเขาหัวเขาโลนแล้วค่ะเพราะ uh huh. ว่าอไม่ได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้มีเวลาที่ถามแม่ชีตรงนี้เลยเพราะว่า uh huh. วันนี้ตั้งใจมากที่อยากจะมาถามพระอาจารย์ uh huh. เลยเพราะว่า uh huh. ก็ผัดตัดแต่งเพศกันหมดเลยชีมาเลยอยากรู้ว่ามันเป็นกรรมมันก็เป็นตัวที่จะทํำให้เราต้องทุกกับร่างกายเวลาที่ร่างกายไม่สวยงามตามที่เราต้องการอแต่ถ้าเราไม่อยากจะทุกก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันมันจะเหี่ยวก็ปล่อยมันเหี่ยวไปมันจะหย่อนก็ปล่อยมันหย่อนไปอก็คือต้อง ต้องตัดกิเลส ต, ตัดกิเลสเขาความรับความชา่งสมาธิให้หล <ไฮ S 2> ุดจะหาความสุขจากการไปนั่งสมาธิดีกว่าใช่ค่ะเพเรามีความสุขจากนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องไปเสริมสวยความงามของร่างกายเพราะเราไม่ต้องมีแฟนเราอยู่คนเดียวได้นะคะอ่าค่ะอ่ะาอแล้วถ้าในกรณีตะกี้ว่าตัวเราเอง ทำสัญยกรรมแล้วถ้าตัวเราพาคนอื่นไปทําสัญยกรรมเหอคะก็ยึดพาไปมันก็มันอยู่ที่ตัวเขาหละถ้าเขาไม่อยากไปก็เราพาไปยังไงเขาก็ไม่ไปอยู่ดีก็เขาก็คือชีน้นําหรือว่าพาคนอื่นไปทํำเนี้ยคะ่ะก็จะเป็นบาปหรือว่าเป็นกรรมเหมือนกันไ ห, หม่หมจาค่ะเป็นเป็นการบอกทางให้เขารู้คนอยากไปอุดอรเขาไม่รู้ทางาไปยังไงเราก็บอกเขาไปทั้งนี้แต่เป็นความอยากของเขาอ่ะ ไม่ใช่เป็นความอยากแต่ในความอยากตรงเนี้ทําให้เขามีความสุขเราจะได้ความเราจะได้บุญหรือเราจะได้ผาบเจ้าค่ะก็ได้ทั้งสองอย่างค่ะมาเห็นเสุขก็สุขเดี๋ยวเวลาเขาทุกข์ก็ทุกข์กับเขาจ้าค่ะแล้วเกิดไปทำสัญญกรรมผิดพลาดขึ้นมาเจ้าค่ะก็ทุกข์อีกอ่ะจ้าค่ะมีทั้งสุขทั้งทุกข์อ่ะอ๋อโอเคสาธุเจ้าค่ะนรัสการพราจรค่ะพอดีว่า คือปัจจุบันนะฮะได้ฝึกสมาธินะฮะแล้วก็มีอาการแบบพยายามปรงแล้วคราวนี้ค่ะพอฝึกไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไม่อยากเกิดมาเป็นคนพรรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดมาดีแค่ไหนมันก็ต้องทุกข์อยู่ดีไม่ว่าสวยแค่ไหนก็ต้องทุกข์อยู่ดีคราวนี้อยากจะคิดต่อว่าแล้วต่อจากนี้ไปเราจะต้องคิดว่าต้องไม่เกิดหรือว่าต้องคิดว่าต้องเกิดมาเป็นอะไรแบบไหนคะอ๋อต้องเลิกเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข เราไปหาความสุขจากการนั่งสมาธิแทนค่นะเหมือนกับใม่ชีเนะีไม่ไม่ไม่ใช้ร่างกาย<ม>ไปหาความสุขไปนั่งสมาธิแทนต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องกลับมานะเกิดไม่ต้องยึดติดกับร่างกายนะเหมือนกับเราเลิกใช้มือถือเนี่ยถ้าเราเลิกใช้มือถือแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อมือถือใหม่อยู่เรื่อยๆถ้ายังใช้มือถืออยู่เดี๋ยวรุ่นนี้ผ่านไปหมดไปรุ่นใหม่ออกมาก็ต้องเปลี่ยน ถ้าเรายัใช so <term. S 2> ้ร่างกายหาความสุขอยู่เดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องกลับไปหาร่างกายใหม่มาเป็นเครื่องมือหาความสุขเองแต่ท้อเราไปฝึกนั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าอยากจะไม่ไม่กลับมาเกิดมีร่างกายก็กลต้องไปหยุดความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขหาความสุขแบบนักบวชเคยนั่งสมาธิค่ะ อ่าแล้วคราวนี้ติดสุขกับการอยู่กับการอยู่ในสมาธิแล้วมันไม่พัฒนาต่อค่ะคือวันๆอยากจะนั่งแต่สมาธิเพราะรู้สึกว่ามไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์แล้ก็อยากนั่งอยู่นานๆเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นบาปไหมคะก็ไม่บาปเลเพียงแต่ว่ามันยั ง, ย, งยังติดอยู่ขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าแม้แต่สมาธินี้ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเหมือนกัน<ะ>เสื่มได้เจริญได้เสื่มได้ ต่อไปก็ไม่ต้องไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องอยากเข้าสมาธิอยู่แบบไม่มีความอยากขัด ค, ความอยากทั้งหมดได้ก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิค่ะแล้วหลวงพ่อเป็นคนที่ฝึกสมาธินะคะระยะหนึ่งคือฝึกมาประมาณแปเดือนไม่เคยหยุดเลยอยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราหยุดแล้วไม่ปฏิบัติเราจะอยู่กับที่หรือว่าเราจะถอยหลังค ะ, ะมันจะเสื่อมได้ เพราะว่าสมาธินี้อย่างที่พูดมันไม่เที่ยงเลยค่ะถ้าเราไม่ฝึกเราก็เหมือนก็หยุดหยุดเจริญสติพอสติที่เป็นเหตุให้เรามีสมาธิมันมันหายไปก็เหมือนน้ำมันหมดไงว่าน้ำมันหมดรถก็วิ่งไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องนั่งอยู่เรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เข้าไปได้เรื่อยๆเข้าสมาธิไปได้เรื่อยๆ แต่ถ้าเรายังเราเบื่อกับการต้องเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็ใช้ปัญญาสอนว่าแม้แต่สมาธินี้เราก็ไม่ต้องติดเราต้องขาดอยู่แบบไม่ต้องอยู่ไม่ต้องมีความอยากกับอะไระค่ถ้าเราตัดความอยากได้หมดเราก็จะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมีอะไรต่อไปพระอาจรย์ขาอีกคําถามสุดท้ายนะคะคือจะสงสัยตลอดเลยว่าคนเราอะค่ะพอเวลาที่ถึงเวลาใกล้าตายนะคะ อมีคนบอกว่าถ้าสิบห้านาทีก่อนที่เราจะตายเนี่ยให้นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ตกนรกหนูก็เลยสงสัยว่าคนเราเนี่ยเวลาทําบุญเนี่ยทําบุญมาเป็นร้อยครั้งพันครั้งแต่ไม่ได้ปราบปื้มในบุญนั้นจําบุญได้ไม่ได้ทั้งหมดมแต่ทําบาปสองสาครั้งแต่จําบาปได้ติดตาติดใจอันนี้เราจะตกนรกหรือว่าขึ้นสวรรค์นะคะอะ๋ไม่หรอกมันอยู่ที่ปริมาณบุญกับบาปที่เราสะสมไว้ในใจเราค่ะมันจะเป็นตัวที่จะมา ตัดสินว่าเราจะไปทางอบายหรือไปทางสวรรค์ค่ะถ้าบุญที่เราสะสมไว้มันมีมากกว่าบาปมันก็จะไปสวรรค์ค่ะถ้าบาปมันมีมากกว่าบุญมันก็จะไปอบายค่ะไม่ต้องกังวลนะว่าจะต้องมารอช่วงสิบห้านาทีสุดท้ายหรืออะไรนี้หรอกมันมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นองนั้นก็ดีแต่ทาบาปมันตั้งชาติแล้วก็มานั่งพุทโธสิบห้านาทีค่ะ ครับอาจารย์ค่ะมันเหมือนบัญชีเงินฝากกับบัญชีเงินก BO ู้อย่างเงี้ยเวลาเราทาบุญก็เหมือนเอาเงินเข้าธนาคารฝากเวลาเราไม่มีเงินใช้เราก็ไปกู้ธนาคารมาใช้แล้วเวลาเขามาคิดบัญชีเราก็ดูว่าบัญชีเงินฝากกับเงินกู้อันไหนมากกว่ากันถ้าเงินฝากมากกว่ากันเราก็ไม่เจ๊งเราก็ยังกำไรอยู่ถ้าเงินกู้มากกว่าเงินฝากก็แสดงว่าเราเจ๊งละล้มละลายละแค่แบบเดียวกัน และอีกคำถามสุดท้ายนะคะพระอาจารย์ค่ะคือชีวิตรู้สึกว่าทําบุญมาทุกวันแล้วก็ทํามาตลอด<ม>แต่ทําไมรู้สึกว่าในขณะที่เราทําบุญทุกวันบางครั้งอะเข้าวัดทั้งเดือน ท, ทั้งวะทุกวันเลยค่ะไปถวายสังฆทานแต่กลับเจอแต่เรื่องทุกข์ตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรครับพระอาจารย์เพราะมันคนละเรื่องกันเนี่เรื่องทาบุญก็เรื่องทําบุ ญ, เ ร, บญเรื่องทุกข์มันก็เรื่องของทุกข์มันมันมีเหตุต่างกันทําบุญแล้วก็มีความสุขแต่เรื่องทุกข์นี่มันก็เป็นเรื่องของกรรมก็ได้วิบากกรรมของเรา เราทําไว้ในอดีตมันมาส่งผลในตอนที่เราทําบุญก็ได้อืก็ เ, เลยทําให้เราเข้าใจผิดคิดว่าทําบุญแล้วไม่ได้บุญกลับได้ทุกบางคนทําบาปแล้วกลับได้ความสุขเพราะว่ากานที่ทําบาปนั้นพอดีช่วงบุญเก่ามาส่งผลให้เขาเขาก็เลยได้ความสุขแล้วเขาเลยคิดว่าทําบาปก็ได้ได้บุญได้เปความสุขนั้นมป็คข้อรเรื่องกันอย่าไปจับแพะมาชนแกะคุณพระอาจารย์คาทูค่ะ พอดีวันนี้หมดเวลาพอดี <c oughs> ก็วันนี้มีเานะเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะกายเย็นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ